บททีเจ็ดสิบสาม t h e ได้รับอนุญาตได้ Smithy คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ เอัตคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรืออเล็กอัลกลคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรืออซิสเตอวาติโอตอเล็ m ซิสเตอวาติ อนุญาตได้สเมติเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะสเมโมทุกย์คาดิติตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะสซลกโคทุกยคาดิจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ Se lahko plača no s ส pla r e d i t n o kartico. ตโซจ่ายเช็คได้ไหมคะเซลค์โคปล a ช่ e สจิ t กมจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะเซลค์โค a ลาช่าเลสโกตวินโนขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะ หลักสราตขอ t e l e p o n r a m ขอถามอะไรได้ไหมคะลักุสมุนนิคาุปราชมขอพูดอะไรได้ไหมคะลักุสมุนนิคายวมเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้ Он не с м е ่สปาติโอพารเขานอนในรถไม่ได้ о อนในสี่สปาติโออัลตุเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้นอน е ี่สปาตินั่งเรือตเราขอนั่งได้ไหมคะ สไมม์โมซ i เราขอรายการอาหารได้ไหมคะอลิลลัคโ e บยดนลสเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะอลคโคพช mo ลช